ซึ่งเราทำได้ทุกคนเลยโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนานี่แหละถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตการให้ทานแล้วก็ทำไปรักษาศีลแล้วก็ทำไปก็อย่าลืมเรื่องการเจริญภาวนานการเจริญสตินี่แหละ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 ใ, ใช้ตำแต่สิ่งอื่นประกอบอาชีพหรือเพลิดเพลิน อ, อยู่กับสิ่งอื่นอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องหันเหตุจิตใจมาดูแลใจเราเองบ้างด้วยการเจริญสติซึ่งทำได้ง่ายๆเอากายของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ท่านได้ให้มาธรรมชาติให้มา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 ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราเป็ น, ปนกายยารุปัสนาสติปทานเห็นไหมเห็นกายกำลังเคลื่อนไหวไหมการเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาอย่างเดียวหรอกเราเจริญสติเราเห็นด้วยความรู้สึกเอาจิตหรือเอาสติเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกของกายที่มันกำลังเคลื่อนไหวหายใจเข้าใกล้รู้สึกตัวหายใจออก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 ถ้ากายไม่มีอาการต่างๆมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่กายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนดีแล้วที่มันมีอาการให้เราเห็นถ้าร่างกายเราเนี่ยมันไม่รู้จักร้อนจากหนาวเนี่ยจะอันตรายเพราะอะไรเพราะเราจะทํางานอยู่กลางแดดร้อนก็ไม่รู้ตัวหนาวก็ไม่รู้ตัวไม่มีอาการอยนี้แสดงออกมาเนย แดดก็จะแผดเผาให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ ก, กรอบเกลี่ยมไปดีแล้วที่มันยังร้อนอยู่ยังรู้สึกร้อนอยู่เราจะได้เข้าร่มแก้ไขในอาการนั้นได้หรือความปวดความเมื่อยต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเแสดงว่าเขาเป็นปกติแล้วอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดก็ถ้าร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น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 อาการต่างๆเนี่ยเขาเป็นสัญญาณเตือนภัยของร่างกายเราจะได้แก้ไขเราจะเห็นทุกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเห็นทุกนีมนดีร้ายอย่างเราจะได้เมนําเอาสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเราเพราะเราเห็นว่ากายเราเนี่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกอันนี้คือการแก้ทุกข์ ต้องดื่มต้องกินต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายทุกประจําตัวอยู่แล้วอิเลียโบต่างๆที่มันปวดมันเมื่อยต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วและเรายังจะเอาอบุรีสุราสิ่งเซสติีต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นความจําเป็นของร่างกายเข้าสู่ร่างกา ย, ายไม่ยุติธรามกับร่างกายเห็นหถ้าเราเห็นตัวนี้บ่อยๆเาเนี่ยเราจะละเลยนะ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 เรื่องของกายเนี่ยเป็นรูปประทับอันนี้คือเรื่องของจิตเนี่ยเป็นนามธรรทจิตคือผู้รู้เนี่ยความคิดนึกต่างๆเนี่ยคืออาการที่มาให้จิตรู้รับรู้รับทราบเราก็อย่าไปเชื่อเขาเรารู้ไว้เพราะตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจคิดเราไม่ได้คิดด้วยสติมันเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมา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 ไม่ใช่อันเดียวกันแต่เขาอาศัยกันเกิดขึ้นสติาทาหน้าที่เป็นผู้ดูผู้แยกแยะเรื่องของกายเรื่องจิตความคิดนึกต่างๆที่มันปรุงแต่งจะมีทั้งบาปอากุศลแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็ต่างกันอีกในความคิดแต่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันทั้งบาปอากุศลก็เป็นธรรมะบุญกุศลก็เป็นธรรมะ เราเคยได้ได้ฟังไหมที่พระท่านสวดว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมากุศลก็เป็นธรรมอากุศลก็เป็นธรรมแต่เป็นธรรมที่ต่างกันก็คือบาปอากุศลเป็นธรรมดําที่เราต้องละโดยเด็ดขาดเพราะว่าบาปอากุศลเนี่ยนำมาซึ่งความทุกข์เราต้องละ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 ไม่ต้องกลับมาเกิดในพบน้อยพบใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจเราทุกบางอย่างเนี่ยเราก็กำหนดรู้ไว้ถ้าเราแก้ไขก็ไม่ได้เช่นความไม่เที่ยงของร่างกายความแกเ่เราก็รู้ไว้ทุกบางอย่างเนี่ย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 ม, มีขึ้นได้กับปุถุชนทุกๆคนเราไม่ต้องไปแก้ไขเรากําหนดรู้ไว้แล้วก็ทำหน้าที่ละทันทีเพราะสิ่งหเหล่านี้เป็นสาเหตุของความทุกข์เป็นตัวสมุทยัยอันนี้คืออารมณ์ปฏิบัติสติเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเราเป็นผู้รู้ว่าเป็นผู้เห็นว่าแล้วก็ทําหน้าที่กับเข า, เขา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 จึงเกิดญาณต่างๆคือความรู้คือปัญญา